อนอบน้อมพระราชนาฏัยขอาการหลวงพ่อกรมแล้วก็เพื่อนแต่ธรรมิทุกท่านจะ เ, เรินในธรรมไม่เชียแล้วก็ยติธรรมทุกคนก็เป็นปักสุดท้ายในพรรษา2554ันาแล้วก็ผ่านมาเหลือช่วงสุดท้ายคงสุดท้าย ของการได้อยู่ร่วมกันเนะพราะว่าก็ปีหนึ่งก็จะได้อยู่ร่วมกันจริงๆรงจัง จ, ง จ, งจงเนาะอย่างน้อยก็3เดือนอาจจะมีกิจไปที่อื่นกันบ้างนะแต่ก็ถือว่าเราได้มาเข้าเข้าอยู่ร่วมกันอย่างน้อยก็3เดือนหลายคนก็เป็นเพียงแค่ช่วงโอกาสเดียวในชีวิตนะที่ได้ลา การลา ง, งานลาครอบครัวมาอยู่วัดนะหรือบางคนก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะไปไหนต่อแล้วนะก็คงจะอยู่วัดต่อไปแต่ก็ไม่เป็นไรแต่อยากก็อยากจะขอฝากพวกเราไว้ว่าบางทีช่วงสุดท้ายแห่งปักนะบางทีการเผลอตัวปล่อยใจนะมันจะเปลี่ยนไปได้ง่ายคล้ายๆว่าบางทีความเคยชิน มันทําให้เราคล้ายๆคุ้นเคยจนทั่งเราก็ปล่อยตัวป่อยใจตามอารมณ์ทําทสิ่งที่เรียกว่าอยากจะทําใหม่ๆมันเข้ามามันรู้สึกว่ามันยังไม่รู้มันยังรู้สึกว่ามันน่ากลัวหรือว่ามั น, มนดูเกรงเกรงไปบ้างแต่พออยู่ไปนานๆรู้สึกสบายรู้สึกผ่อนคลายจนกระทั่งบางทีมันก็อาจจะเลยการผ่อนคลาย เป็นการตามใจตนไปได้ง่ายนะก็ต้องฝากพวกเราไว้ที่จริงช่วงสุดท้ายนะของการอยู่เข้าพรรษายิ่งจําเป็นต้องกลับมาทบทวนถามตนเองบ่อยๆว่าเเราอยู่มา5ปักแล้วนะกิจอันใดที่เราฝึงตั้งใจที่จะทำในขณะที่เราได้บวชหรือกิจอันใดที่เราตั้งใจที่จะทำในขณะอยู่ในพรรษานี้ เราได้ทํากิจอันนั้นได้หรือยังนะวันเวลาที่ผ่านมาห้าปักเราได้ละเลยกิจนะที่เราตั้งใจที่จะเข้ามาอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะหรือว่าเราได้ทําอยู่ดีพอสมควรแล้ว <c oughs> ก็ย่ีได้ประมาทว่าบางทีช่วงสุดท้ายนะบางทีก็อาจจะพลาดได้หรือบางคนก็ได้ทบทวนตัวเองแล้วอเรา บางทีเราก็มีความตั้งใจอยู่แต่บางทีมันก็มีการละเลยไปบ้างนะมีการพลาดพังไปบ้างก็อยากจะให้ถือโอกาสว่าช่วงสุดท้ายของในภรรานี้ได้ได้ตั้งใจนะได้ตั้งใจกันมากขึ้นนะเพราะว่าบางทีโอกาสโอกาสทองในชีวิตเราเนาะที่จะได้มาอยู่วัดได้ภาวนาก็มีไม่มากนะักก็อยากจะให้พวกเราได้ใช้โอกาสทอง ตรงนี้ให้เต็มที่นะได้ใช้วันเวลาที่ได้อยู่ตรงนี้ได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะเพราะว่าถ้าเรายังอยู่ในสถานที่ที่หรือว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นทปปรัพยะเช่นนี้นะแต่เราไม่ได้ใช้โอกาสดีในการฝึกหัดจิตใจของเราเองนะมันก็จะเป็นเรื่องที่วันทีถ้าเราต้องกลับไปใช้ชีวิตในทางโลก มันจะเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ยากเพราะว่าแม้ขนาดเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยขนาดนี้ชีวิตหรือว่าการพราวนาของเราก็ยังลํมรุกคุกคานหรือว่าก็ยังไม่ค่อยได้รักไม่ค่อยได้คิดในอันอะไรถ้าต้องกลับไปนะเป็นรารวาสหรือว่าเราต้องกลับไปอยู่ที่บ้านบางทีการที่กลับไปมันเจออารมณ์เจอกระทบ เจอสิงต่างๆเยอะแยะมากมายเจอการงานที่วุ่นวายสับสนบ้างเจอผู้คนที่ต่างจิตต่างใจต่างจุดหมายนะมันก็จะทําให้ถ้าเราไม่ได้รักเราก็จะลงทิศผิดทางไปได้ง่ายแต่ที่จริงก็เราก็เรียนรู้จากตั้งแต่อยู่ในวัดนี่แหละนะบางทีอยู่ในวัดมันก็มีมีการทํากิจที่เรียกว่ากิจส่วนรวมนะโดยส่วนตัวก็เห็นว่า มันเป็นบททดสอบหนึ่งของของการภาวนานะการภาวนาถ้าเราสามารถภาวนาในรูปแบบได้ดีพอสมควรนะเราก็จะเอาลองออกมาใช้ในการภาวนานอกรูปแบบดูบ้างนะเพราะว่าอะไรเป็นการทดสอบดูว่าเออการภาวนาของเราเก้าวหน้าไหมบางทีเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ที่เอื้ออํานวยมากไม่เจอสิ่งกระทบทางตาทางหู จะหมูทางลิ้นทางกายอ่ามันก็ทําให้เราสงบหรือว่าทำให้เรามีสติได้ต่อเนื่องอยู่พอสมควรแต่ก็คิดว่ามันเป็นไปได้ยากที่เราจะจต่อเนื่องได้พอสมได้ตลอดเวลาเพราะว่าในทางความคิดแล้วแม้ไม่มีอะไรกระทบมันก็สามารถผุดขึ้นมาได้อดีตหดือนอนาคตก็ดีที่จริงการภาวนา ในรูปแบบมันก็จะทำให้เราเห็นอารมณ์เห็นความคิดมีจิตตั้งมั่นได้ง่ายแต่บางขณะที่เราต้องเจอเจองานที่เป็นกิจส่วนรวมก็ดีเจองานที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นก็ดีเราก็สามารถภาวนาได้นะไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปหรอกเพียงแต่ว่าให้เราตั้งใจตั้งใจที่จะทำตรงนั้นแล้วก็อาจจะตั้งสติมากขึ้นนะเพราะว่าบางที พอเราทํางานทําการเราต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นแน่นอนมันมีอารมณ์กระทบมันมีสิ่งยั่วยวนให้ชวนให้หลงมากมายแต่ถ้าเมื่อไรที่เราตั้งใจจริงนะมันก็ไม่มีอะไรจะมายั่วยวนให้เราหลงไปได้หรอกนะมาอยู่ที่ความตั้งใจของเราแหละแต่บางทีถ้าเราไปโทษว่าคนนั้นคนนี้นะที่นี่วุ่นวายที่นั่นขัดข้องที่นั่นสับสนนะมันก็มีแต่ที่ที่ไม่สงบเหมือนอย่าง สมัยพุทธกาลเนอะพระยกษสกุลบุตรนะก่อนที่ยังไม่เป็นพระก็บอกว่าที่นี่นวุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่นวุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่นวุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอก็เดินบนแต่โยศเนี้ยเดินจากบ้านก็ว่าบ้า น, นวุ่นวายเดินไปเข้าครัวก็ว่าครัววุ่นวาย เดินผ่านตลาดก็ว่าตลาดวุ่นวายตลาดขัดข้องเดินมาสู่ป่าอิสิพนาณะก็ว่ามันวุ่นวายมันขัดขอ้องไรีว่าเดินอยู่ที่ไหนใจก็ขัดข้องใจก็วุ่นวายมันคงไม่ใช่อยู่ที่สถานที่ที่วุ่นวายที่ขัดข้องแต่มันน่าจะอยู่ที่ใจที่วุ่นวายที่ขัดข้องที่หมองใจมากกว่าใช่ไหมจะอยู่ที่ในในแท้ใจเรา วุ่นวายใจระขัดค้องมันก็เป็นที่ที่หรืกว่าไม่สงบทั้งนั้นแต่พระพุทธองค์ท่านบอกว่าชี้ว่าที่นี่ไม่พุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเธอจะมาที่นี่เถนะิดมาที่ไหนมาหาพระพุทธองค์ไม่ใช่มาสถานที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันแล้วจะสงบเองมันก็ไม่ใชนะ่แต่พอเราได้มาพบพระพุทธเจ้าได้มาพบพระธรรม คำสั่งสอนของพุทธองค์จิตใจเราก็เปลี่ยนจากความวุ่นวายจากความขัดข้องเป็นอ๋อที่นี่ไม่วุ่นวายแล้วที่นี่ไม่ขัดข้องแล้วนะที่นี่คือที่ไหนที่นี่ก็คือใจของเรานีเองใจที่ไม่วุ่นวายใจที่มาไม่ขัดข้องเนี่ยมาอยู่ที่ตัวของเราเองมาเป็นแบบนี้จริงๆเนา ะ, นะหรือบางทีหลวงปู่ชาหลวงท่านเคย ท่านเคยสอนพระพ้าหลังร่วมหนึ่งพระพ้าหลังท่านไปวัดไหนสำนักไหนก็เห็นแต่ความไม่ดีความไม่งามของสำนักนั้นนะเห็นนั้นก็ไม่ดีเห็นนี้ก็ไม่น่าเห็นนั้นก็เรียกว่ามีที่ตำหนิได้ทุกอย่ยวิทุกสิ่ง ท, ทุกอย่างหลวงพราชาท่านก็เลยถามท่านว่ามไม่ใช่าถามหลอกก็ชี้ว่าเหมือนกับคล้าย ถ้าเรามีขี้อยู่ในถุงยามเนาะเดินไปที่ไหนนะมันก็เหม็นทุกที่นะไปอยู่วัดไหนไปอยู่ที่ไหนมันก็เหม็นไปหมดหนั่นแหล ะ, ะอันนี้แหละบางทีความความเหม็นความไม่ดีหรือนว่าความวุ่นวายมางทีไม่อยู่ที่ตัวเรานะไม่ใช่อยู่ที่สิ่งภายนอกสิ่งภายนอกมันก็เป็นธรรมดาของมันเช่นนั้นแหละนะแต่อยู่ที่ใจของเราแหละจะปรับได้หรือเปล่านะใจเราจะปรับให้มันยอมรับความจริงได้หรือเปล่า ถ้าใจเราปรับได้นะที่ไหนๆก็ไม่เป็นที่วุ่นวายที่ไหนๆก็ไม่เป็นที่ขัดข้องเป็นที่ที่สามารถเรียกว่าฝึกผัดจิตใจของเราได้ทั้งนั้นถ้าเรามีความตั้งใจจริงอันนี้แหละเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นสิ่งที่พวกเราควรจะท้าทายกับตัวเองดูท้าทายในการภาวนาในสถานที่ที่เป็นเช่นนั้นบ้างนะแต่ไม่ใช่ไปท้าทายแบบเรียกว่า ม, มันเสียงเกินไปก็ไม่ใช่นะก็ต้องเริ่มดูในระดับอินรีที่เราพอรับได้แล้วก็ลองดองเรียกว่าลองเรียนรู้ในการปรับใช้นะดูบ้างอันนั้นบางทีอย่างการงานหรือว่าการเกี่ยวข้องกับผู้คนโดยเฉพาะอย่างเช่นในวัดในวา เ, เนี่ยมันก็มีบ้างนะบางวันเช่นเมื่อวานก็เป็นวันกรรมกรมีการทำงานร่วมกัน ในส่วนตัวก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่คือ ส, สิ่งที่ดีนะเกิดความสามัคคีเกิดการได้ออกกําลังกายเกิดการได้ผ่อนคลายอิเดียบทบางอย่างบ้างแม้อาจจะมีอิเดียบทบางอย่างตึงหรือ่ ป, ปวดเมื่อยไปบ้างนะแต่ก็ได้เออได้ใช้กําลังบ้างก็ดีบางทีพระชีนะอยู่ในวัดนานๆ น, านี่เหงื่อไม่ค่อยออกไม่ได้ไปออกกําลังกายไม่ได้ไป โดนอะไรที่มันร้อนหรือว่าเหนื่อยเกินไปนะบางทีร่างกายไม่เสียเหงื่อนะไม่ค่อยได้ใช้แรงเท่าไหร่นะมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเหมือนกับมันคล้ายๆมันถนอมเกินไปถนอมเกินไปก็กลายเป็นคุณหนูคุณนายไปนะมันก็เป็นคุณชายบ้างก็มีกนะ็ได้ไปใช้เป็นแบบนั้นบ้างเป็นกรลักรเป็นคนใช้แรงงานบ้างมันก็ดีนะอีกอย่างนึงก็เป็นการทดสอบเราดู ดูใจของเราในการวางใจในการเกี่ยวข้องกับการงานแบบไหนเราก็ดูตัวใจของของเราเองไม่ต้องไปดูคนอื่นนะคนอื่นก็รู้อยู่ไม่ต้องดูมันก็เห็นนะไม่ต้องไม่ต้องตั้งใจฟังมันก็ได้ยินนะมันก็รู้นะรู้รู้อยู่แต่ก็รู้แค่ตัวของเราเองก็พอแล้นะรู้ว่าเรารู้สึกอย่างไรเวลาอยู่กับคนเกี่ยวข้องบุ่นวายแบบนั้นรู้ว่าเรารู้สึกอย่างไรเวลาเราทาการทางาน เราสามารถมีสติมีสมาธิได้ไหมนะแต่บางทีหลายๆคนก็จะกลัวเกินไปหรือว่ากลัวหรือว่าไม่ชอบหรือว่ารู้สึกว่าเออสิ่งต่างๆเนี้ยมันทําให้ทําให้เราเสียสติทําให้เราขาดสติทําให้เราไม่สงบพอนะก็ไปกลัวว่าการภาวนามันจะเสียหายมันจะไม่ก้าวหน้าหรือว่ามันจะเนิ่นช้าเกินไป แต่ถ้าเราลองสังเกตเดือนดีที่จริงความทุกมันเกิดจากความกลัวในใจของเราเนี่แหละกลัวว่าจะต้องทัดไปต้องแบบนั้นแล้วกรรมฐานจะเสียบ้างหรือว่าบางทีก็ทําให้เราเรียกว่าเกลียดก็มีนะบางทีก็เกลียดอ๋เกลียดที่อารมณ์การภาวนามันไม่ดีนะมันวุ่นวายมันสับสนมันไม่สงบเหมือนภาวนาในรูปแบบนะบางทีเราก็กลัวบ้างบางทีเราก็เกลียดบ้าง จิตพัวนี้นะมันถ้าภาษากีเดก็เรียกว่าเป็นจิตในตระกูลโทสะนะเป็นจิตที่มีความไม่ชอบไม่พอใจในอารมณนน์นั้นๆถ้าเราสังเกตดูอ๋อโทสะเกิดขึ้นแล้วนะในใจเรานะก็เห็นโทสะเกิดขึ้นมันก็ดับไปนะความวุ่นวายวามฟุ้งพล่านเกิดขึ้นแล้วนะอยากจะไหลไปกับเขากรู้ทันแต่บางทีก็เกิดราคะนะ ความพอใจความชอบใจหลงไหลไปกับอารมณ์หลงไหลไปกับสิ่งที่กระทบหลงไหลไปกับสิ่งที่เพื่อนเขาพูดคุยสนุกสนานกันไปอ๋อเราก็รู้ทันใจของเราเองอ๋อมันจะไหลไปตามเขาแล้วเนาะ น, นะนะ ก, ก็รู้ทันพอเรามีสติแบบนี้นะการภาวนาก็สามารถทําไดนะ้ทุกขณะนะที่เราต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนเพราะว่าอะไรเราจะกลับมาสะท้อนดูดใจของเราเอง บางทีการปฏิบัตินอกรูปแบบนะโดยส่วนตัวแล้วจะถนัดหรือว่ารู้สึกว่าการดูจิตใจการดูอารมณ์หรือว่าดูความคิดจะทาได้ง่ายกว่าการดูกายในการภาวนานในรูปแบบเราก็จะดูกายเป็นหลักนะดูกายมันยืนเดินนั่งนอนดูกายมายุกคลุกละเอียดเคลื่อนไหวยกมือสร้างจังหวะอะไรนะั้การภาวนานในรูปแบบสามารถทาให้ดูกาย ได้ชัดแล้วก็ได้ต่อเนื่องได้บ่อยกว่านะอารมณ์ความคิดก็เกิดขึ้นนานๆเกิดขึ้นทีไม่ที่มากแต่พอเราภาวนานอกรูปแบบก็คือเกี่ยวข้องกับการงานเกี่ยวข้องกับผู้คนบางทีมันสนุกในการดูจิตมากนะอารมณ์กระทบเกิดขึ้นอ้อรู้ทันจิตใจวิงทีกายก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่หรอกเพราะว่าอิเดียบทมันมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรวดเร็วหรือว่า ท่าทางต่างๆมันก็เป็นท่าที่ไม่ได้คาดไม่ใช่คาดการไ ม, ไ, ากมไม่ได้กัดเกมไม่ได้กําหนดว่าจะเป็นท่าไหนมันก็เป็นไปโดยอัตโนมัติของมันนะบางทีก็รู้บ้างนะแต่ส่วนใหญ่ที่จะรู้ได้บ่อยก็คือการดูจิตนะการดูความคิดดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตนี่แหละมันก็เป็นสิ่งเป็นฐานที่ที่สนุกนะเพราะว่าอะไรมันเป็นของจริงที่เราไม่ต้องตั้งท่าเมื่อมันกระทบเข้ามาทางตาทางหู ทางกายเนะี่ยส่วนใหญ่กระทบแบบนั้นก็รู้ทันที่จิตเลยว่าจิตตอนนี้รู้สึกอย่างไรจิตตอนนี้มีอาการอะไรเกิดขึ้นมีความคิดไหมหรือว่ามีความสุขความทุกข์หรือว่าเฉยๆอยู่แล้วก็ดูแบบนี้อื้ออันนั้นการภาวนามันก็เลยประสานกันทั้งเรียกว่าสติปัฏฐานทั้งสี่นะกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมนะ พอทำกรรมฐานในรูปแบบก็ดีทังกรรมฐานนอกรูปแบบก็ดีมันก็เรียกว่าส่งเสริมกันไปนะทั้งกายทั้งจิตแต่ที่จริงก็ไม่ใช่ว่าจะต้องทําแบบนี้เสมอไปเนาะบางทีที่จริงแม้แต่การภาวนานในรูปแบบเองก็ดีก็เห็นทั้งกายเวทนาจิตธรรมเช่นเดียวกันนะเห็นเหมือนกันหรือถ้าเราชํานาญพอการภาวนา น, นอกรูปแบบก็เห็นทั้งกายเวทนาจิตธรรมเช่นเดียวกันนะ แต่เพีงเยงแต่ว่าบางทีถ้าเราตั้งใจว่าอมไม่เป็นไรพอต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนเกี่ยวข้องกับการงานแล้วเราก็ทําใจยอมรับมันเลยนะแต่ถ้าใจเราปฏิเสธนะปฏิเสธว่ามไม่อยากทําไม่อยากเกี่ยวข้องมันก็เหมือนเรามีสองทางเลือกทางเลือกหนึ่งก็คือทําแบบแบบไม่เต็มใจทางเลือกที่สองก็คือว่าอยากจะหนีไปเหมือนใจเรามีสองทางเลือกนะก็ไม่รู้จะเลือกทางไหนดีนะ เพราะว่าบางทีมันก็สับสนกับตัวเองนั่นแหละแต่พอถ้าเราตั้งใจเลือกอย่างเดียวไปเลยนะเช่นสมมติว่าเราเลือกทําการทํางานเนาะสมมติเลือกแบบนี้มันก็ไม่ต้องเลือกว่าจะต้องหนีไปที่ไหนละมันมีแต่ว่าจะต้องเลือกทําใจของเราเองเราจะทําแบบไหนน้อถึงจะไม่ทุกข์ตรงนี้แหละมันจะเป็นไม่ใช่คําถามว่าจะเลือกทางไหนแต่จะเป็นคําถามว่าจะทําอย่างไรถึงจะไม่ทุกข์เนี่ย แนี้พอคำถามมันเปลี่ยนไปมันเป็นการตั้งคำถามกับวิธีการจะวางใจแบบไหนจะวางกายแบบไหนจะเกี่ยวข้องอย่างไรถึงจะไม่ทุกข์ใจถึงจะไม่วุ่นวายใจมาเป็นคำถามที่เรากลับมามาถามตัวเองแล้วก็เปลี่ยนแปลงที่ตัวเองพอเรากลับมาตั้งหลักกับตัวเองได้แบบนี้เนาะ<อ>การภาวนามันก็เรียกว่ามันก็ถูกทางเพราะาอะไรเรามีเป้าหมายชัดว่า ทำยังไรถึงจะไม่ทุกใจทำยังไรถึงจะไม่ทุกใจอันนี้แหละคือโจทย์หลักของเราไม่ใช่โจทย์หลักคือการทำงานภายนอกให้สาเร็จนะแต่โจทย์หลักของเราคือใช้งานเป็นฐานในการภาวนานะใช้งานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องจากงานครัวก็ดีงานกรรมกรก็ดีหรือว่างานบางทีเราอาจจะเป็นที่ปรึกษามีคนมีปัญหามาปรึกษานั่ปรึกษานี่นนะ มันก็เป็นฐานในการภาวนาเช่นเดียวกัน น, นี่ยเป็นการเป็นงานที่เราต้องเกี่ยวข้องเราก็ต้องยอมรับตรงนี้เลยหรือบางทีบางคนอาจจะต้องออกไปใช้ชีวิตในทางโลกพอหมดพรรษาแล้วต้องกลับไปที่บ้านกลับไปที่ทางานล้วก็วางใจตรงนั้นแหละมไม่ต้องอะไรอาบอนในผ้าเหลืองในผ้าขาวอะไรหนูก็ได้อยู่วัดได้ภาวนาพอสมควรแล้วเมื่อกลับไปที่บ้านก็เรียกว่า ตั้งใจภาวนาในการในงานในชีวิตการวาสแต่ก็ได้เช่นเดียวกันนะมันเป็นทางเลือกที่เราเลือกแล้วนี่เมื่อเลือกแล้วก็มีแต่ว่าจะเลือกเลือกทำใจแบบไหนให้มันอยู่กับมันอย่างไม่ทุกใจเท่านั้นแหละคือสิ่งที่สำคัญกว่านั่นเะนาะภนะนะักนี้พาษานี้มันก็ผ่านมารวดเร็วนะก็ไม่ได้รวดเร็วหก้ก็เป็นธรรมดามันก็ผ่านเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมานั่นแหละนะ แต่บางทีถ้าเรารู้สึกว่าเรายังไม่ทำอะไรหรือว่ายัางทำไม่ดีพอก็อยากให้พวกเราได้ได้ตั้งใจดีพอหรือว่าให้ตั้งใจมากขึ้นนะอย่าให้วันเวลาที่มันผ่านไปผ่านไปแล้วเราเสียประโยชน์ทิ้งบางทีก็เหมือนกับบางทีฝนตกน้ำไหลถ้าเราไม่รู้จักลองรับเอาสิ่งดีๆไว้มันก็ไม่เกิดประโยชน์เช่นฝนตกลงมา มีรางน้ำก็ดีแต่ไม่เคยเอาเอาน้ำจากรางน้ำใส่ในแทงน้ำนะน้ำมันก็ไม่ได้เก็บกักเอาไว้ได้ใช้มาทีวันเวลาที่เรามีอยู่ก็เช่นเดียวกันถ้ า, าเราไม่ได้เก็บเอาสิ่งดีๆเอามาใช้ในชีวิตของเราเนาะมันก็จะเรียกว่าเสียประโยชน์ไปเฉยๆนะนะพอเราตั้งคบถามกับตัวนี้ของเราบ่อยๆนะเราก็กลับมาทบทวนดูกรนี ถ้าเราจะทําอย่างไรละมันถึงจะไม่ทุกข์ใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราก็คงเรียนรู้กันมามากแลนะ้วเนาะเรื่องสติเรื่องสัมปชัญญะเรื่องความรู้สึกตัวตรงนี้แหละนะเป็นฐานสําคัญมากๆนะเป็นฐานสําคัญมากที่จะทําให้เราช่วยให้เราเรียกว่ามั่นคงในการเดินทางออกจากความทุกข์ได้เพราะเมื่อใดที่เรารู้สึกตัวนะเมื่อนั้นก็กลับมาดูดูตัว ตัวในที่นี้ก็คือกายแล้วก็ใจนะดูอะไรก็ได้กลับมารู้สึกตัวกลับมารู้ว่ากายกำลังทำอะไรกลับมารู้ว่าใจกำลังรู้สึกอย่างไรหรือว่าใจมีความคิดหรือเปล่าเนะี่ยกลับมารู้ตอนนี้ไปบ่อยมันจะทำให้เราเรียกว่าจิตมันจะตั้งมั่นเป็นสมาธิของมันเองเนะเมื่อเรากลับมารู้สึกตัวจิตจะตั้งมั่นไม่ไหลไปกับอารมณ์มันจะหยุดอารมณ์อยู่ข้างนอกมันจะเห็นว่า จิตที่เป็นผู้ดูหรือว่าจิตผู้รู้เนี่ยมันก็ดูเฉยๆอารมณ์ที่มากระทบมันเป็นเหมือนเปลือกที่มันมันจะเข้ามาแต่มันเข้ามาไม่ได้คล้ายๆเราอยู่บนป้อมปราการข้างบนเนาะมีค่าตึกนะกำลังเดินทับมาแต่มันปีนขึ้นมาบนป้อมปราการไม่ได้เพราะมีกําแพงกั้นอยู่นะมีรั้วล้อมรอบอยู่ จิตที่มีสติคอยดูอารมณ์คอยเห็นอารมณ์ก็เช่นเดียวกันอ๋อมันเห็นอารมณ์มันจะเข้ามานะแต่มันเข้ามาไม่ได้มันเข้ามาไม่ถึงใจเข้ามาไม่ถึงตัวคล้ายๆมันมีเกาะป้องกันตัวป้องกันใจไว้ไม่ให้โดนอารมณ์มากระทบนะมันเป็นเช่นนั้นเองนะหรือบางทีอารมณ์อาจจะเข้ามาแทรกที่จิตที่ใจแล้วนะแต่พอมีสติรู้ทันนะ มันก็ถอนตัวเองออกจากอารมณ์นั้นๆ น, น, นะยกจิตยกใจขึ้นออกจากอารมณ์ได้เช่นเดียวกันอันนี้แหละเป็นสิ่งที่สําคัญมากการภาวนาถ้าเรามีความรู้สึกตัวอยู่ต่อเวลานะมันจะเรียกว่าไม่ติดด้วยอารมณ์หรือบางทีอารมณ์เข้ามาแล้วแล้วก็ถอนก็ดีดออกมาได้รวดเร็วมากอันนี้หรือว่าที่จริงการดูกาย การดูกาย ก, ก็ทําให้บางทีอ า, ารมณ์ก็เข้ามาแทรกได้ยากเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตของเรามันรับรู้อ า, ารมณ์ได้ทีได้อย่างถ้ามีสติรู้สึกตัวอยู่กับการเคลื่อนไหวอยู่กับการทําอะไรแล้วอ า, ารมณ์ความคิดก็เข้ามาแทรกได้ยากเพราะว่าเรารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวกับการยืนเดินนั่งนอนแล้วความคิดก็เข้ามาแทรกไม่ได้แต่บางทีแม้แต่การเคลื่อนไหวที่เรา ว, าว่ามันต่อนเนื่องที่มันเรียกว่ามันทําอยู่บ่อยๆก็ดี แต่ความคิดความหลงมันก็ฉวยโอกาสได้บ่อยจริงๆของมันเหมือนกันมันช่วยโอกาสช่วงเสี้ยววินาทีในน้อยนี่แหละเข้ามาแทรกบางทีหลงงพ่อก็จะบอกว่ารู้สึกตัวก็วินาทีละครั้งวินาทีละครั้งนะวินาทีละครั้งแต่บางทีในเสี้ยววินาทีที่มันเปลี่ยนหรือว่าในขณะวินาทีนั้นนะบางทีความหลงมันก็เข้ามาเล่นงานได้ได้เหมือนกันนะอืม มันก็เก่งของมันนะแต่มันก็เก่งแบบชวนให้เราหลงแต่ถ้าเราพอมีสติรู้ทันอ้อมันจะหลงไปคิดบ้างอ้ก็ไม่เป็นไรมันเข้ามาแทรกได้ก็ไม่เป็นไรแทรกได้แล้วก็กลับมารู้สึกตัวได้เช่นเดียวกันไม่ถือว่าเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิตอะไรหรอกนะก็หลงไปบ้างก็ไม่เป็นไรรู้สึกตัวเมื่อไรอ้าก็พอแล้วหรือบางทีอาจจะหลงคิดไปพอสมควรแล้วนะลืมรู้ ลืมเนื้อลืมตัวก็ไม่เป็นไรอดีตมันผ่านไปแล้วก็ตั้งใจอยู่กับปัจจุบันอะแค่นี้ก็พอละนะบางทีนักปฏิบัติธรรมของเราจะบางคนจริงจงตั้งใจมากเกินไปเมื่อหลงไปแล้วมาเสียไปแล้วก็ไปคร่ำควรวญไปอะไรอาวบอนหรือว่าไปตําหนิตัวเองอยาทาั้งอืเรียกว่าเกิดความทุกข์ใจเองที่จริงไม่ใช่ใครทําให้เราทุกข์ใจเลย เป็นใจของเราเองเนี่ยไปตำหนิไปโทษไปโกรธตัวเองเนี่ยแหละทำให้เกิดความทุกข์ใจทำให้เกิดความเศร้าหมองถ้ามีสติต่อเนื่องจริงๆนะอ๋อมันก็จะเห็นว่าเออเราทุกข์ใจน ะ, ะจิตมันทุกข์ใจมาไปตำหนิตัวเองมาไปหลงย้อนคิดถึงเรื่องที่ผิดพลาดในอดีตหรือหลงไปย้อนคิดเรื่องที่ทำให้เรียกว่ามันทุกข์ใจไปจิตมันก็จะวางนะ จิตมันจะกลับมารู้อยู่กับปัจจุบันก็พอละไม่ไปโทษอดีตหรือไม่ไปกังวลถึงอนาคตอวันนี้ต้าไปทําอีกแล้วลหรอก็ไม่ต้องไปกลัวไปทําแล้วก็ให้ยว่ากันจเจออารมณ์อะไรกระทบแล้วก็ค่อยว่าทําเมื่อมันกิตที่ต้องทําแล้วก็ทํานะแต่ตอนนี้เรายังไม่กลัวนะเรายังไม่เรียกว่ายังไม่ทุกในตอนนี้ก็เพื่อไม่เจอแล้วก็ค่อยว่ากันว่าจะเป็นอย่างไร นีจิตมันจะมีจิตใจที่เรียกว่าจิตที่กล้าหาันกับจิตที่เรียกว่าอ่อนน้อมนะที่จริงมันอยู่ด้วยกันนะจิตที่แกล้วกล้ากล้าหานกับจิตที่อ่อนอน้อมนุ่มนวลเนี่ยมันอยู่มันสามารถอยู่ด้วยกันได้โดยภาษาแล้วมันดูเหมือนเป็นสิ่งที่ขัดแย้งหรือว่าเป็นคนนัฝักคนนัฝ่ายกันแต่จริงมันมีสภาวะจิตที่เรียกว่าปรับ ปรับมาใช้ให้มันใช้ได้ทุกท ก, การทุกงานนะเกี่ยวข้องกับผู้คนเกี่ยวข้องกับการงานหรือว่าต้องพูดคุยก็สามารถพูดคุยได้อย่างกล้าหาญแก้วกล้าบัานคงนะหรือว่าเจอสภาพว่าอะไรมันก็ไม่ยิงไม่พยองไม่พองใจนะก็มีความอ่อนอน้อมถ่อมตนอยู่ภายในอยู่เป็นจิต ท, ที่เรียกว่าเหมาะแก่การเอาไปใช้ในทุกสิ่งทุกอย่าง นะจิตที่เป็นสมาธิไม่มีภาษาหนึ่งเรียกว่าจิตที่ตั้งมั่นควรแก่การงานสมาธิบางทีถ้าเราคิดว่าเป็นสมาธิที่สงบแล้วก็อยู่เฉยๆไม่อยากทำอะไรอันนั้นเราต้องเฉเดียวใจแล้วเออทำไมสมาธิไม่ตรงกับที่พูะเจ้าท่านสอนท่านบอกว่าจิตตั้งมั่นควรแก่การงานนะถ้าตั้งมั่นแล้วควรแกการงานแล้วเออแสดงว่ามันก็ทาอะไรก็ได้สินะ แต่จริงการงานก็ต้องเป็นการงานที่เรียกว่าถูกต้องชอบทำเนาะไม่ใช่เป็นการงานที่ไปเบียดเบียนคนอื่นหรือว่าไปเบียดเบียนจงกระทังตัวเองทุกมากก็ไม่ใช่แต่เป็นการงานที่เรียกว่าเกิดประโยชน์ตนเกิดประโยชน์ท่านนั่นแหละคือการงานที่ชอบการงานที่เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็คือเนี่แหละการที่เราทําอะไรก็แล้วแต่เราสามารถกลับมารู้กายรู้ใจตัวเองได้นี่ก็จะเกิดประโยชน์ตนเป็นหลักนะ แต่ที่จริมันก็สัมพันธ์กับประโยชน์คนอื่นด้วยเมื่อเราเป็นหนักเราไม่หลงแล้เกี่ยวข้องกับบางคนกับผู้คนถ้าคนคนนั้นก็พอมีสติเขาก็จะไม่หลงตามอ้อเขาเห็นแล้วคนนี้ไม่หลงไปกับสิ่งภายนอกเขาก็ได้สติกลับมาแต่ถ้าชวนกันหลงชวนกันไปมันก็เกิดความวุ่นวายใจกันไปทั้งหมดนะแต่บางทีเราก็ไปห้ามคนอื่นไม่ได้เราก็กลับมาดูใจของเรานะบางสถานการณ์คนอื่นก็อาจจะหลง ก็ต้องไปเขาหลงไปเราอาจจะไม่มีกําลังพอไปห้ามเขาไปเบรคเขาแต่เรามีกําลังพอที่จะเบรคใจของเราเองไม่ให้หลงไปกับอารมณ์ภายนอกกับความวุ่นวายกับความหลงของเพื่อนตรงนี้ยเราก็กลับมาดูตัวเองนะห ร, นงนหรือบางทีบางคนหรือบางสถานการณ์เราพอจะเตือนได้พอจะบอกได้หรือจะแสดงได้เราก็แสดงไปบ้าง น, นี่ก็ถือว่าเป็นการทำประโยชน์ตัดทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม ไปในตัวด้วยที่จริงประโยชน์ตนประโยชน์ท่านหรือว่าประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะมันสัมพันธ์เกินไปทั้งหมดนะถ้าเราภาวนาเป็นนะจิตใจมันก็จะเย็นไปกับทุกอารมณ์นะที่ไหนไก็จะไม่เป็นที่ที่วุ่นวายที่ไหนก็เป็นก็จะไม่เป็นที่ที่ขัดข้องนะที่ใหนไหนก็จะเป็นที่ที่สามารถสงบใจเย็นใจแล้วก็รู้สึกตัวได้ในทุกที่เนาะก็อยากให้พวกเราได้ ได้ตั้งใจนะในช่วงปักสุดท้ายแล้วก็ขอให้ตั้งใจภาวนาให้มากขึ้นนะอะไรที่ยังไม่สํารวมระวังก็ให้สํารวมระวังมากขึ้นผู้ที่ประพฤติ ด, ดีอยู่แล้วก็ขอให้รักษาความดีรักษาสิ่งดีๆที่เราได้กระทมาให้ต่อไปอย่าได้ประมาทในช่วงโค้งสุดท้ายของพรรานี้แต่จริงแล้วชีวิตเราบางทีมันก็ไม่แน่ แม้แต่วันพรุ่งนี้จะมีหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะบางทีเราก็จะไปรอว่าออกพรรษาแล้วหรือว่าปีหน้าจะทำอะไรมีแผนการต่างๆมากมายแต่จริงแผนการต่างๆนะั้นอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดก็ได้เพราะแม้แต่วันนี้ก็ยังไม่แน่วันพรุ่งนี้ก็ยังไม่แน่จะมีหรือเปล่าบางทีก็อยากให้พวกเราได้ใช้เวลา ในวันนี้นะในตอนนี้ให้ดีที่สุดเพราะว่าอะไรบางทีอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายในชีวิตนี้ของเราก็ได้นะอันนี้เป็นความจริงไม่ใช่เป็นการเรียกว่าแช่งหรือว่ า, าให้เลนรางไม่ดีนะกล่าวในเชิงเป็นรางร้ายแต่ถ้าเราใช้ชีวิตอย่างคล้ายๆว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตเรานะเราจะกลับมาถามตัวเองมาดูตัวเองว่าอ ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตเราเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะทํำจริงๆคืออะไรกิจอันไรที่เรายังทําไม่สําเร็จกิจอันไหนที่ยังค้างๆภายในใจเราก็ต้องรีบขดไข่คั้งเขีย่ยเขี่ยปัญหาหรือว่าเขี่ยใจให้มันพร้อมที่จะไปให้มันได้ทั้งเขี่ยการเขี่ยงานบ้างเขี่ยกิจที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้อื่นบ้างที่มันเป็นเรื่องภาระภายในใจแล้วก็เขี่ยไปบ้าง เมื่อถึงตอนที่เราจะตายมันก็จะได้ตายอย่างผู้ที่พร้อมที่จะไปจะไปวันนี้ไปวันพรุ่งหรือไปอีกสิปีข้างหน้าก็พร้อมทั้งหมดนั่นแหละ น, นละคือเราก็ต้องเรียนรู้ฝึกตรงนี้เนาะผู้ที่ยังไม่พร้อมก็ขอให้ฝึกให้เตรียมพร้อมผู้ที่พร้อมแล้วก็ดูดีๆบางทีมันก็อาจจะยังมีบางอย่างที่ยังไม่พร้อมอยู่ก็เรียกว่ายังมีตัวที่ละเอียดขึ้นไปอีกก็ก็ค่อยๆดูไปเนาะก็ไม่เป็นไร เพียงแต่ว่าเราตั้งใจก็เป็นจะเป็นสิ่งที่ดีงามละในชีวิตนี้นะก็ขอให้พวกเราทุกคนได้เจริญในศีลในธรรมเนาะยิ่งยิ่งขึ้นไป